ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งร้อยแปสเกเรื่องภิกษุหนุ่มชื่อติสสะขอ้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราพภิกษุหนุ่มชื่อติสสะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าดาดาติเวยาธาสัตทังเป็นต้นตอน พระติสะนิมทาชนอื่นแต่ชมเชยญาติของตนได้ยินว่าพระติสะนั้นเที่ยวติดเตียนทานของพระอริยสาวกแม้ห้าโกรธคืออนาถบินติกะขหบาดีนางวิสาขาอุบาสิกาเป็นต้นถึงแม้อา ศ, าศาัสัตว์ทานก็ติดเตียนเหมือนกัน ได้ของเย็นในโรงทานของอริยาสาวกเหล่านั้นย่อมติเตียนว่าเย็นได้ของร้อนย่อมติเตียนว่าร้อนแม้เขาให้น้อยย่อมติเตียนว่าเพราะเหตุไรชนเหล่านี้จึงให้ของเพียงเล็กน้อยแม้เขาให้มากย่อมติเตียนว่าในเรื่องของชนเหล่านี้เห็นจะไม่มีที่เก็บธรรมดาบุคคล ควรให้วัตถุพอยังอัตภาพให้เป็นไปแก่ภิกษุทั้งหลายไม่ใช่หรื อ, อยาคูและพัดเท่านี้ย่อมวิบัติไปไม่มีประโยชน์เลยแต่กล่าวปลารบพวกญาติของตนเป็นตนว่าน่าชมเชยเรือนของพวกญาติของเราเป็นโรงเลี้ยงของภิกษุทั้งหลายผู้มาแล้วจากที่ทั้งสี่ดังนี้แล้ว ยอมยังคำสรรเสริญให้เป็นไปตอนพวกภิกษุสอบสวนฐานะาของพระติสะก็พระติสะนั้นเป็นบุตรของผู้รักษาประตูคนหนึ่งเที่ยวไปกับพวกช่างไม้ผู้เที่ยวไปยังชนบทถึงพระนครสาวัตถีบวชแล้วครั้งนั้นภิกษุทั้งหลาย เห็นเธอผู้เที่ยวติเตียนทานของมนุษย์ทั้งหลายอยู่อย่างนั้นคิดกันว่าพวกเราจะสอบสวนภิกษุนั้นจึงถามว่าผูมีอายุพวกญาติของท่านอยู่ที่ไหนได้ฟังว่าอยู่ในบ้านชื่อนน้นจึงส่งภิกษุหนุ่มไปสองถึงสรูปภิกษุหนุ่มเหล่านั้นไปในบ้านนั้นแล้วอัญชนชาวบ้าน นิมนต์ให้นั่งที่โรงฉันแล้วกระทําศักการะจึงถามว่าเด็กหนุ่มชื่อติสสะออกจากบ้านนี้ไปบวชแล้วมีอยู่หรือชนเหล่าไหนเป็นญาติของติสสะนั้นมนุษย์ทั้งหลายต่างคิดว่าในบ้านนี้เด็กผู้ออกจากเรือนแห่งตระกูลไปบวชแล้วไม่มีภิกษุเหล่านี้พูดถึงใครหนอ แล้วเรียนว่าท่านขรรับกระผมทั้งหลายได้ยินว่าบุตรของผู้รักษาประตูคนหนึ่งเที่ยวไปกับพวกช่างไม้บวชแล้วท่านทั้งหลายเห็นจะกล่าวหมายเอาผู้นั้นกระมังตอนจับโกหกได้ภิกษุหนุ่มทั้งหลายทราบว่าพวกญาติผู้ใหญ่ของติดสะภิกษุหนุ่มนั้นไม่มีในบ้านนั้นแล้ว จึงพากันกลับไปสู่พระนครสาวัตถีแจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านผู้เจริญพระติสักร่มเที่ยวพูดเพ้อถึงสิ่งอันหาเหตุไม่ได้เลยแม้ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระตถาคตตอนบุปกรรมของพระติสักพระสรัสดาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าติสะนั้นย่อมเที่ยวโอ้อวดในบัดนี้เท่านั้นหาไม่ได้แม้ในการกอดเธอก็ได้เป็นผู้โอ้อวดแล้วอันภิกษุทั้งหลายทูลวิงวอนแล้วส่งนำอดีตนิทานมาแล้วท่งยังกะตาหะกะชาดกนี้ให้พิสดารว่าเบอรุ่งปิโซวิกัตเทยะ อันยังเปนะปดังกะโตอันวางกันตวานดูไสยะภูจพโเกกะตาหกานายกะตาหกนั้นไปสู่ชนบทอื่นพึงพูดอวดซึ่งทรัพย์แม้มากนายตามมาแล้วพึงประทุษร้ายกะตาหกท่านจงบริโภคโภคทั้งหลายเถอ ดังนี้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็บุคคลใดเมื่อชนเหล่าอื่นให้ซึ่งวัตถุน้อยก็ตามมากก็ตามเศร้าหมองก็ตามประนี ก, ก็ตามหรือให้วัตถุกแก่ชนเหล่าอื่นแต่ไม่ให้แก่ตนย่อมเป็นผู้เก้อเขินฌานก็ดีวิปัสสนาก็ดีมรรคและผลก็ดีย่อมไม่เกิดขึ้น แกบุคคลนั้นดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมได้ทรงภาษิตป ร, ระกาถาเหล่านี้ว่าดดาติเวยาท่าสัตธังยาท่าปรสสาดะานังจโนตัทโยมังกุโตโหติปรเรซั่งปานาโภชเนณนะโซดิวาวารตติงวาสมาทิงอาทิกัจติ ยัสะเจตังสมุจิ น, นังมูละคันชังสมูหตังสะเวดิวาวาระติงวาสมาทิงอธิคชติชนย่อมให้ทานตามศรัทธาตามความเลื่อมใสแลชนใดย่อมเป็นผู้เก้อเขินในเพราะน้ำและข้าวของชนเหล่าอื่นนั้น ชนนั้นย่อมไม่บรรลุสมาธิในกลางวันหรือในกลางคืนก็อกุศลกรรมอันบุคคลใดตัดขาดแล้วถอนขึ้นทำให้มีรากขาดแล้วบุคคนนั้นแลย่อมบรรลุสมาธิในกลางวันหรือในกลางคืนตอนแก้อัดในบรรดาบทเหล่านั้นบาทพระกาาว่า ดาดาติเวยท่าสัตธังความว่าชนเมื่อให้บรรดาวัตถุมีของเศร้าหมองและประณีตเป็นต้นย่างได้อย่างหนึ่งชื่อว่าย่อมให้ตามศรัทธาคือตามสมควรแก่ศรัทธาของตนนั่นแลบทว่าย่าท่าปสซาดนังความว่าก็บรรดาภิกษุผู้เป็นเถระและภิกษุใหม่เป็นต้น ความเลื่อมใสในภิกษุใดๆย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นเมื่อถวายทานแก่ภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมถวายตามความเลื่อมใสคือตามสมควรแก่ความเลื่อมใสของตนนั่นแลบทว่าตัฐะเป็นต้นความว่าย่อมถึงความเป็นผู้เกอ้อเขินในพระทานของชนอื่นนั้นว่า เราได้วัตถุเล็กน้อยเราได้ของเศร้าหมองบทว่าสมาธิงเป็นต้นความว่าบุคคลนั้นย่อมไม่บรรลุสมาธิด้วยสามารถแห่งอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิหรือด้วยสามารถแห่งมรรคและผลในกลางวันหรือในกลางคืนสองบทว่ายัสสะเจตังความว่า อกุศลกรรมนั่นกล่าวคือความเป็นผู้เก้อเขื่อในฐานะเหล่านี้อันบุคคลใดตัดขาดแล้วถอนขึ้นทําให้มีรากขาดแล้วด้วยอรหัตตมัคคิยานบุคคลนั้นย่อมบรรลุสมาธิมีประการดังกล่าวแล้วในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องภิกษุหนุ่มชื่อติดสะ